เกี่ยวกับตัวผู้เรียน 1. รู้คำหนึ่งถึงและสอนให้เหมาะตามความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างในทศพลยานข้อ5และข้อ6ที่อธิบายมาแล้วเช่นคำหนึ่งถึงจริต6อันได้แก่ราคาจริตโทษาจริตโมหะจริตสัทธาจริตพุทธิจริตและวิตกจริต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 เรียกว่าวิปจิตันอยู่เทียบกับบัวปริ่มน้ำจากบานต่อวันรุ่งขึ้น 3. บุคคลผู้พอจะหาทางค่อยชีย้แจงแนะนำใช้วิธีการยักเยื้องให้เข้าใจได้ต่อต่อไปเรียกว่าในยะเทียบกับบัวงามใต้พื้นน้ำจากบานในวันต่ อ, ต, อต่อไป สี่บุคคลผู้อับปัญญามีดวงตามืดมิดยังไม่อาจให้บรรลุคุณวิเศษได้ในชาตินี้เรียกว่าปะทะปาัปปรมะเทียบกับบัวจมใต้น้ำน่าจะเป็นพักษาเหงปลาและเตา่าพึงสังเกตว่าปะทะัปปรมะนั้นมิได้หมายความว่าสอนไม่ได้เลยทีเดียว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 หมายเหตุตามพุทธพจน์เดิมนั้นตรัสถึงบัวสามเหล่าซึ่งมีมาในวินัยปิฎกเล่มสี่ในมัชิมะนิกายมุลปันนาฏและในมัชิมะนิกากมัชชิมะปันนาฏส่วนบัวสีเหล่ามาในอัฏฐถ า, ธาบุคคลสี่ประเภทมีมาในอังคุตระนิกายจตุ ก, การนิบาทซึ่งจะเห็นได้ว่าบัวสีเหล่านั้น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 ข้อที่สนอกจากคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วผู้สอนยังจะต้องคำนึงถึงความพร้อมความสุขงมความแกวรอบแห่งอินทรีย์หรือญาณที่บาลีเรียกว่าปริปากะของผู้เรียนแต่ละบุคคลเป็นรายไปด้วยว่าในแต่ละคราวหรือเมื่อถึงเวลานั้นๆเขาควรจะได้เรียนอะไรและเรียนได้แค่ไหนเพียงไร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 อีกเรื่องหนึ่งเมื่อคราประทับอยู่สององค์กับพระเมขียะนาจาริกบันพศพระเมขียะทูลลาไปบินทบาดในหมู่บ้านชันตุคามในระหว่างทางกลับจากบินทะบาดมาถึงฝั่งลำน้ำกีมิกาลาท่านได้เห็นสถานที่ในป่าอัมพวันน่ารื่นรม <c oughs> เกิดความคิดว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การบาเพ็ญเพียรครั้นกลับถึงจาลิกบันพ จึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลขออนุญาตลาไปบําเพ็ญเพียรณนะป่าริมฝั่งน้ำนั้นพระพุทธองค์ทรงทราบว่ายานของพระเมขียะยังไม่สุกงอมพอที่จะไปบําเพ็ญเพียรอยู่ผู้เดียวให้เกิดผลสําเร็จก้าวหน้าขึ้นไปได้แต่ก็จะทรงให้พระเมขยะได้บทเรียนจึงไม่ได้ทรงห้ามทีเดียวแต่ทรงทัดทานว่า รอ ก, ก่อนเถิดเมคิยะเราอยู่คนเดียวเธอจงรอจนกว่าจะมีภิกษุรูปอื่นมาเสียก่อนการที่ตรัส ด, ดังนี้ก็เพื่อให้รู้สึกว่าพระองค์มีพระทัยเยื่อใยเมตตาต่อพระเมคิยะอยู่เป็นแรงคอยโน้มน้าวเมื่อพระเมคิยะมีเหตุขัดข้องอะไรขึ้นจะได้กลับมาเฝ้าพระองค์ครั้นพระเมคิยะทูลขยันขยอ พระองค์ก็ทรงอนุญาตฝ่ายพระเมขิยะเมื่อไปอยู่ที่ป่าอัมพวันผู้เดียวแล้วต่อมาก็เกิดมีอกุศลวิตกขึ้นเพราะญาณของตนยังไม่แก่กล้าสุขงอมไม่สามารถแก้ไขได้จึงกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลให้ทรงทราบ พ, พระองค์จึงตรัสสอนเรื่องธรรมห้าอย่างที่ช่วยให้เกิดปริปากะแกะเจโตวิมุต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 ยังไม่มีปริปากะยังไม่พร้อมที่จะออกไปบําเพ็ญเพียรผู้เดียวอย่างที่ตนประสงค์ยังต้องพึ่งอาศัยกัรยาณมิตรอยู่ข้อที่สสอนโดยให้ผู้เรียนลงมือทำด้วยตนเองซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนแม่นยำและได้ผลจริง เช่นส่งสอนพระจุลปันธกะผู้โง่เขลาด้วยการให้นำผ้าขาวไปรูปคลําเป็นต้นข้อที่หการสอนดำเนินไปในรูปที่ให้รู้สึกว่าผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทร่วมกันในการสแสวงความจริงให้มีการแสดงความคิดเห็นโต้ตอบเสรี หลักนี้เป็นข้อสำคัญในวิธีการแห่งปัญญาซึ่งต้องการอิสระภาพในทางความคิดและโดยวิธีนี้เมื่อเข้าถึงความจริงผู้เรียนก็จะรู้สึกว่าตนได้มองเห็นความจริงด้วยตนเองและมีความชัดเจนมั่นใจหลักนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นประจำและมักมาในรูปการถามตอบซึ่งอาจแยกลนะักษณะการสอนแบบนี้เป็นสองประการ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 แล้วจึงทรงเริ่มแสดงธรรมหรือเรื่องเด็กหญิงชาวบ้านลูกช่างหูกคนหนึ่งอยากฟังธรรมแต่มีงานม้วนกรอได้เร่งอยู่เมื่อธรรมเสร็จจึงเดินจากบ้านเอาม้วนได้ไปส่งบิดาที่โรงผ่านโรงธรรมก็แวะหน่อยหนึ่งนั่งอยู่แถวหลังสุดของที่ประชุมพระพุทธองค์ก็ยังทรงเอาพระทัยใส่หันไปรับสั่งให้เข้าไปนั่งใกล้ ทักทายปราศัยและสนทนาให้เกียรติให้เด็กนั้นผู้แสดงความเห็นในที่ประชุมและท่งเทศนาให้เด็กนั้นได้รับประโยชน์จากการมาฟังธรรมข้อที่7ช่วยเหลือเอาใจใส่คนที่ด้อยที่มีปัญหาเช่นเรื่องพระจุลปันธกะที่กล่าวแล้วเป็นต้น